ต่อนื่องไปจะได้คิดบายธรรมะเกี่ยเป็นเปี่ยงประดับสติปัญญาเขากดขันทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นได้นำมาจำแนกแจกสอนสัพพิสัตว์ โดยส่วนใหญ่พระองค์ก็ได้มาจากของที่พวกเรารู้พวกเราเห็นกันอยู่แต่เชว่าว่าพระพุทธเจ้าท่านค้นคิดมาเป็นธรรมะสอนพวกเราเพราะความแก่ความเจ็บความตายความอุ่นวายสัดว่องต่างๆ <c oughs> พวกเราท่าน มีด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สมัยปัจจุบันพุทธการเคยมีความจริงสัดเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายมาแต่ก่อนพุทธการคือพระพุทธเจ้ายัางอุบัติขึ้นในโลกสัตว์ก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นพระพุทธเจ้ากรณีทานไปสัตว์ที่มี เกิดก็ยังมีแฉ่มีเก็บมีตายเหมือนกันความเกิดคามแก่าการเจ็บคามตายเป็นสิ่งที่สัตว์ทั่วไปในตองการเพราะการแกร่าการเจ็บคามตายนี้เป็นภัยอันตรายที่มนุษย์และสัตว์ที่ทมีชีวิตอยู่ในชอบ แต่การเกิดนอกคึกว่ามนุษย์และสัตว์ชอบกันเมื่อเกินแล้วห้ามกัน้นไม่อยากให้แจ、่ไม่อยากให้เจยบไม่อยากให้ตายเป็นเรื่องกั้นความจริงที่มีประจําทั้งฐานจิตใจเมื่อกั้นไม่ได้ตามความปรารถนาของตนก็เกิดความ เหือร้อนอุ่นวายเพราะทามไมอยากแก่อยากตายเป็นต้นเหตุพระพุทธเจ้านดีที่เจรนาในวันเจตาชรุที่เจรนาถึงเรื่องคามตายามาจากอะไรก็ได้ความทรัพยทัไทยของพระองค์ว่ามาจากความแก่ความแก่มาจากความเกิดความเกิดมาจาก พบพบมาจากสัณหาเล่ยลงไปถึงอวิชาภายในจิตีิไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าพระพุธออทธเ จ, าจ้ า, อ, อ, า, าองค์ทิจารณาปฏิยาการคืออาการของความเป็นอยู่ของสัตว์ทั่วไปคอยใจตามเป็นจริงของพระองค์ ภาพกเกณฑนี่พวกเราท่านข็เคยเห็นใคยรู้เคยได้ดูได้ฟังกั น, นเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายต่างๆแต่ความจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทายกันหนักจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายในมีมีแต่ความยินดียีเนเดินอยากจะมีอายุยืนยงคงอยู่ อยากจะมีความสุขแต่ไม่นึกคิดที่นี้ที่เจนาตามเป็นจริงว่าสังขารเหล่านี้นันจะต้องแปลพวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันไม่มีอะไรที่จะไปห้ามกัน้นเรื่องให้แฉ่ให้เจ็บใ ห, ใ ห, ให้ตายได้เราจะปรารถนาความสุขสนุกสนานตามความตาม้องการของเราไม่ได้เพราะความเกิด เป็นต้นเหตุที่จะนำคามแกค่แกความเจ็บความตายมาให้เราไปตองการอยากจะอยู่ยืนนานหรือไม่มีเจ็บมีตายมันจริงขัดข้องกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลผู้ใดในรู้ตามเป็นจริงภายในใจของตนห้ามกั้นไม่อยากให้ตนของตนและบุคคลที่รักที่ชอบใจแก่เจ็บตาย ผู้นั้นจะเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นจากกายคือเป็นทุกข์ทางใจอีกเพราะธรรมชาติของอัตภาพร่างกายก็มีโครคไข้ไข้เจ็บมีทุกข์ประจําอยู่แล้วแต่ใจที่ไปข้องไปจิตไม่คิดไม่เนิ่งไม่ที่จะได้นาตามธรรมะของจริงพระพุทธเจ้าในใจขัดข้องในใจไม่ชอบพอในเรื่องความเป็นของมัน เมื่อไม่ชอบพออย่างนั้นความน้อยใจความต่ำใจความเศร้าใจความเหนยียวแห้งใจก็เกิดขึ้นทําให้เป็นทุกข์ทางใจอีกแล้วกันนิดหนึ่งซึ่งบั่นทอนชีวิตของตอนอีกเกิด น, นั้นเราท่านเมื่อรู้เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างไรที่พระพุทธเจ้าเน้สอนเอาไว้ก็ให้ที่เจริญน า, นา ให้ประจักษ์ในใจว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นครูเป็นอาจารย์สําคัญแต่พวกเราท่านไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายที่ประจักษ์อยู่ในโลกแล้วพวกเราจะมัวเมาเศร้าฝันเถิดเชินกันอย่างไม่มีวันมีเวลาไม่อยากจะไปสู่ความบริสุทธิ์คือวิมุตติทานเอาเลยเพราะเห็นว่าโลกนี้ มีความสุขความสบายความเพียงแข่แน่นอนไม่อยากจะไปเกิดพบใบชาบใดอีกไม่อยากจะบำเทยงคุณ ง, งามความดีไม่อยากจะหนีจากโลกเพรจิตจิตขล่องในภพบนชาสุขยาก่เพราะว่าปัญหาเกิดมีน้าแน่ในจิตในใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นอัริยมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สามัญ มีอายยวะเป็นมนุษย์อย่างพวกเราแต่เพ่าว่าจิตใจของพระ อ, องค์ท่านเป็นของสำคัญไม่หลงไหลไม่ ล, ลืมไม่ส ม, ม, มาในการเปืดเป็นชาติของมนุษย์ถึงจะสมบูรณ์พ้นสุขไปด้วยทรัพยรสมบัติยอดขาบรรดาสัตว์เป็นกับสัตว์และมี บริษัทบริวารขนาดที่ประษัทปัจจุบันไม่เหมือนขั้นก่อตั้ง้าะองค์ต่อไม่ลหลงเหลวยที่นิกิจารณาในใจว่าเราเกิดมามีอะไรติดตัวเรามาข้าของเงินทองสมบัติทัศฐานเป็นของเกิขึ้นใหม่เป็นของหาได้โดยอำนาจบาตนะโดยบุญญาที่ต้องผ่าน เราเชาตัวติดเมื่อติดตัวมาตั้งแต่เบื้องต้นเพราะคนทุกควมเกิดมา ใ, ใครๆก็จะมองเห็นกันว่าไม่มีอะไรติดมาแม้แต่ห้าทิ้งเดียวนิดหน่อยว่าไม่มีปกอะไรวะเงินทองของชายต่างๆต้องแสวงหาใหม่ม่เมื่อใหญ่โตูต็จะเบี่ยงึ้นมา และบุคคลเหล่านั้นมาแสวงหาถึงจะได้มากมาไกา ย, ายกองยังใด้ตดตามสมบัติทัสดสฐานชายนอกเป็นต้นว่าเงินทองของชายตลอดรถเรียนเรียนเริงต่างตาของเหล่านี้ถ้าองค์ท่านก็ใด้ที่นิเพานาผู้ลมหายตายไปว่ามีบุคคลผู้ใดนำสมบัติที่หาได้ในโลกมนุษย์ จุดตัวไปไหมก็ไม่เห็นบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งซึ่งนำสมบัติของเฉินบินไปได้แม้แต่ทั้งฐาล่างตายของผู้ตายก็จะทิ่งเอาไว้ในเงือนแผ่นบิ น, นไม่มีอะไรติดตัวของเขาไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะ ม, มาัวเมาต่าฝันจิดเทนอะไรกันในโลกเหล่านี้ ยังแก่เกิดขึ้นมาอาศัยโลกเป็นอยู่เท่านั้นคุณงามความดีอะไรที่เราควรทำควรบำเพ็ญในเมือ่อยังมีชีวิตเป็นอยู่พระองค์ท่านอุตส่าหพยายามคิดหาทางแก้ไขการแก่การเจ็บ ก, ก, ก, ก, ก, การตายภายในใจเห็นว่าอยู่ใน้าวาดวิสัยไม่สะดวกสบายเพราะการงาน นี่มากไม่สามารถที่จะระพฤติปฏิบัติใรที่นิจเจรนาจิตใจผิดขัดข่องให้ละเอียดเข้าไปได้จึงละเพื่อกระวาดออกขนโดออกบัรเทาพอออกไปก็คิดที่นิจเจรนาหาช่องทางที่จะตัดทิเหลสปัญหาละความชั่วภายในใจให้หายความสงสัย ภายในพระยของพระ อ, องค์อยู่เป็นเวลาตั้งห้าหกปีจึงรู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นในวันวิสาขะคุณน่ามียิถีเท็มเนหกพระองค์รู้เห็นตามเป็นจริงว่าสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจของพระ อ, องค์ท่านไปเกี่ยวข้อง เขไม่มีความหมายอะไรเป็นจากภายในคือความเกี่ยวข้องความปวดหันความเฝ้าฝันของจิตเท่านั้นส่วเนเพียงอื่นเราคอยม า, ยาใหญ่ใหญ่ดีหรือติดข้องกับพระไทยของพระ อ, องค์ที่เจะนะลงไปจนรู้จนเข้าใจชัดเจนจนจิตของพระองค์เป็ น, ปน ด, นนดออนมีมุตบริสุทธุดทองเป็นพุทโธโข ขึ้นมาในวันวิสาขาพลนี้คือสมัยเมื่อพระ อ, องค์ท่านประสูติจากพระทันของพระมารดาก็ได้ชื่อว่าเกิดครั้งหนึ่งด้วยกายของพระ อ, องค์ส่วนธรรมซึ่งเป็นพุทโธอันจริงจังไปเกิดในวันที่ท่านตรัสรู้พระ อ, องค์ท่านเกิดสองหนกวาได้คนทั้งหลาย ในมนุษย์ทั่วไปทางหากบำเพ็ญใจของตนให้ถึงที่สุดก็จะเหมือนพระพุทธเจ้าเพื่อเกิดสองผลเกิดเป็นรูปมุคคลและสัตว์ไม่เป็นของสำคัญเพราะเคยเกิดเคยเป็นเห็นกันอยู่ทั่วไปทุกการทุกสมัยส่วนเกิดทำภายในใจคื่อเกิดตัดสรู้เป็นมีมุ หลุดลอยออกไปจากโลคจากสงสารเป็นของสำคัญพระพุทธองค์ท่านได้พิจิตรายนาธรรมซึ่งเรียกว่าปฏิจาสมุปบาทในวันนั้นเข้าใจชัดเจนเห็นไปจับจนทำลายอวิชชาปัญหาอุปาทานภายในใจหากระเด็นออกไปจิตใจ บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีี่เลสกันหาหรือสมมติบััติอันใดจะเข้าไปเกี่ยวแฝงจิตใจของพระ อ, องค์ไม่เหมือนกับจิตที่ลงรวมหรือจิตที่สงบสงัดธรรมดาการปฏิบัติาตามาในระยะเวลาหกพรรษาไม่เคยไปสบคบเห็นจิตใจที่เป็นอย่างนั้น พอพระองค์รู้เห็นเป็นจริงขึ้นจึงเท่าพระไทยชัดเจนว่าอันนี้เป็นบิมุสเป็นที่สุดของโลกไม่เหมือนจิตที่เท่าสารสมาบัติจิตลงรวมธรรมดาพระองค์จึงก้าในท่าองค์งงว่าหมดพบหมดชาติประสาศ า, าสนา แต่เนื่องด้วยธรรมะที่พระพุทธองค์ค้นพบที่เจร น, นาเห็นเข้าใจชัดเจนว่าไม่ติดข้องกับอะไรหมดพบหมดชาติหมดการบำเพ็หมดการละเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดมากบุคคลที่ยินดี เ, เทารนในกามอารมณ์ต่างๆ ไม่สามารถอาจนคิดค้นหรือไปสบพบเห็นได้เป็นธรรมะที่เหลือวิสัยของคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสหากไม่คิดให้ไฝฝันแต่ทำกันจริงจังธรรมะส่วนนี้ก็จะไม่เกิดไม่มีขึ้นจากจิตจากใจของเราหรือของบุคคลทั่วไป พอพุทธเจ้าที่นี้พิจารณาแล้วพ่อพระไทยไม่อยากประกาศศาสนาเพราะว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนสุ ข, ขุมประณีเหลือจิตเหลือใจของมู้ดชนคนหนาทั่วไปจะพิจารณาถึงธรามเป็นของละเอียดยากทายอย่างนั้นแต่พระองค์ท่านก็ได้ที่นี้พิจารณาก่าเราแต่เตาก่อน ยังไม่ได้ดำเชนภาวานาอะไรยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะส่วนนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเราพยายามบำเพนญแต่ทำอย่างจริงจังธรรมะส่วนนี้ก็ไม่หลืววิสัยยังเกิดขึ้นกับใจของเราได้สัตว์ทั่วไปเมื่อมีผู้แนะนำคาสอนเ็จะรู้ใจเห็นเมื่อเขา มีสัทธาเชื่อเลื่อมใสมีครามเพียรมากภายในใจจะแต่ทำบัมเพียนได้เหมือนกันจึงประก า, าศศาสนาแนะนำพัมสอนปัญจวัตีปอนเจตุอื่นปอนคนอื่นในโลกปัญจวัตีทางแห่พิจิจเจนาธรรมะในระยะที่พระองคสแสดงกวนทัญยะหัวหน้าปัญจวัตีก็รู้ก็เห็น เป็นจริงขึ้นในจิตของคนทันญัครู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็จะมีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาเข้าใจประจักษ์ชัดเจนอย่างนั้นไม่ยึดมั่นติดข้องในสิ่งั่วไปที่มีความเกิดขึ้นเห็นประจักษ์ชัดเจนว่าสิ่งนั้นจะต้องแตกสลายไป จิตใจไม่ยึดไม่ผีเข้าใจเห็นจริงแต่จากอย่างนั้นพวกเราท่านเคยเห็นกันและเคยได้ยินกันแต่จิตใจจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้จึงมีการลุ่มหลงหรือสงสั ย, ยในจิตในใจของตนเกิดโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพันเมื่อสิ่งที่รัก ที่ชอบใจท้องตนจากไปเกิดมีความรักให้ชอบใจกำหนัดยินดีในเมื่อมีสิ่งที่ตนรักตนชอบใจเกิ ด, ดขึ้นเป็นไปแบบนั้นไม่เห็นไปจากษัดใจอย่างทันคนพัญยะเหตุนั้นพวกเราจึงลุ่มหลงดูในวัฏจัรสงสารเรื่อยมาจนกรทั่งปัจจุบันพันตาก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นหากบุคคลผู้ใดเข้าใจชัดเจนแล้วเป็นของไม่มีการไม่มีเวลาพระพุทธเจ้าจะล่วงลับปริเนปทานไปเป็นเวลาสองพันหาร้อยกว่าปีธรรมะนั้นผู้ปปฏิบัติปัจจุบันเมื่อรู้เมื่อเห็นก็ยังเป็นอย่างเดิมอยู่ไม่มีอะไรผิแปลกแตกต่างไป เป็นอากานดโกคงที่ดีงามเหมือนพระพุทธเจ้ายังทรงพระสมยู่เชิดนั้นพวกเราท่านควรกำหนดควรชินิดควรพิจารณาควรตั้งหน้าตั้งตาสำหรตบปฏิบัติตัวของตัวให้รู้ให้เห็นให้เป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าจึงจะเชื่อมั่นว่าทําคำสั่งสอนของท่านเป็นของใส่เสื่อดิเสดสามารถกาจัด เรื่องกิเลสคามไข้ปัญหาความอยากภายในใจ <c oughs> ออกไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากพวกเราท่านที่จะน่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านหรือเชิดชูบูชาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด้วยความเื่อมั่นจริงจังธรรมะนั้นก็จะยังคงเส้นคงวายัง จะนำพาตัวของเราเส้ไดรับความสุขความสบายอย่างหยุดยิ่งเทือนนั้นพวกเราท่านที่มีชีวิตเป็นอยู่และมีหูมีตามีจิตมีใจซึ่งควรจะได้ดูได้ยินได้ยินพิจารณาควรนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจของตนสม่ำเสมอ เมื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจทำสอนตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอแล้วความเห็นความเป็นความสุขความสบายซึ่งเป็นนิลามิตสุขาศาสจากอานิชายนอกจะปรากฏเด่ น, เ ด, นเด่นดวงขึ้นจากจิตใจของตนเชื่อมัน่นในธรรมอย่างหนักแน่น ใมงอนเงันเป็นคนที่พระพุธทธเจ้าไหว้เนือ้อเชื่อใจเรียกว่าสาวะของพระพุธทธเจ้าด่าแต่พวกเราท่าน ม, า ม, าามีใจมีวาจามีใจพระพุทธปฏิบัตไิไปตามคําสอนจริงจังพระพุธทธองค์ทาพระองค์ยังทรงพระชานมอยู่ก็จะยินดี แ, แต่พระพัฒน์ไทยเอพวกเราท่านตามีหูมีใจมีเวัดเขวาจำศีลภาวานาะมาบวชเป็นพระเป็นทีน่มาวานะัดจำศีลภาวนากันไม่คิดไม่อ่านในที่นี้นะที่จะนำมาทํามส่วน น, นั้ออนหรือแต่เพื่อท้องศาสนายากจะได้อยาจะได้บุญบด้กุศลเท่นานั้นมาการเพียงแค่นี้ ว่ามัมีวันมีเวลาที่จิตใจของพวกเราจะเจ้าหน้าไาสู่ความรุ่งเอจากที่เหนือัญหาอย่างพระพุทธเจ้าสอนตัวสำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ที่้ายที่บาจาที่ใจของพวกเราซึ่งเรียกว่าถท้ใตที่ดอกส่วนที่ดกใหญ่ส่วนในตำหลับตำลาที่ว่า พระสูตรเ้าดในเข้าบารมีออกไปจากต า, ายจากราจาจากจิตของบุคคลเท่า น, นั้นไปบัญญัติเปนไปเขียนขึ้นส่วนความจริงแต่ของศาสนาอยู่กับตายราจาน้ำใจของบุคคลแต่ละท่านหาประพฤติปฏิบัติรู้เห็นตามเป็นจริงแล้ว ส่วนตำหลักตำลาจะอ่านได้อ่านได้ออกขนได้ไ no ม่เป็น네ปัญหาเพราแต่ในใจของเราท่านู้เห็นตามจนมละแนสิ่งที่พระพุทธเจ้าละิงที่พระพุทธเจ้าวสบรู้เห็นความหุดความเพิ่งของใจไปจักในตัวนั่นเป็นเรื่องสคัญคือาใจของกาสนาแค่ หากผู้ใดจะพุิกปฏิบัติได้เข้าใจชัดเนจนเป็นตัวจับแล้วเรื่องศาสนาะถึงใจเสื่อมเพิมลงไปหรือใครทั่วโลกจะไม่นับหรือเป่าต่างผู้นั้นจะยึดมั่นยื้อมั่นเพราะเข้าใจเป็นจริงเราเรื่องคุณค่าของศาสแหนความสุขของจิตของใจความละความขวนความปล่อยความไป ท้ิดท้อ ง, งใจตนเองแม้จะมีผู้มาฆ่าฟันทำลายชีวิตต่างท่านกรไมนีีความกินเมืออแทงใจเพราะเป่าท่านรู้ท่านเข้าใจท่านเชื่อมากในการต่อเพศปฏิบัติแบบนั้นจะบังคับบัญชาให้ท่านไปอยู่รั่อื่นแบบอื่นทันความชีวิต จิต่อความเพลินเพลินมีการกปฏิบัติสองขัีพวกเราเป็นอย่างนั้นจิตใจยังไม่นความช่วเชื่อบายังไม่เพียงพอริความเพลินัติความอดทนยังอ่อนยังมันพยายามฝึกฝนจิตใจทงตน้าเนคเชื่อ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามทำตามโอวาทของพระพุทธองค์วัดตนในตามและทั่วบำเพ็ญดีใส่ใจฝูงชนคุณทมถึงพระพุทธเจ้าหรืออาริยเจ้าเึือจะเป็นสมบัติ พระพปฏิบ enfin ัต so ิไปตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนวสอนจะให้จิตใจได้ถหนื่อยเรื่องนม่เป็นอีกไปไหนได้พระพุทธเจ้าได้อริยเจ้เห็นอย่างไรเราก็จะไปจากใจของเราอย่างนั้นขอให้ทุกท่านพยายามแต่ทำบำเพ็ญตามปอะวัตของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้บังคับกายบังคับใจของตนให้เข้าสูงธรรม อย่าให้ชีเลตนำพาติดล่าจิตใจไปทางอื่นถ้าพวกเราพยายามแต่ทำบางชนอย่างนั้นสมบัติที่พระพุทธเจ้าทังสาวเอาไ ว, แาาาาแว้แบบโซดาสถิตคาคาอาณาจารย์จะเป็นของพวกเราไม่ใช่ จ, จะมีะอยู่ในตำหลับตำลาและตัวประจักษ์ขึ้นในจิตในใจ ในการละการบำเพ็ญสองตน อ, อย่างเด่นชัดเกิดนั้นขอบวกเราท่านจงพยายามแต่ทำบำเพ็นอย่าลดละว่าตาแฉนะเสื่อมหรือเหียไปส้างเสื่อมต้างเสียไปก็คือตายรายใจใจขอเราไม่ทำจริงถ้าทำจริงแล้วสาแฉนะดูเปล่า วัดตาพระเจ้าพระสงฆ์จะไม่มีมีในสถานที่ใดควรตามถ้าจิตใจของเราผู้เห็นตามจริงก็คือเราต่อติดดาบศาสนาเห็นศาสนาไม่มีการสตืนการเสียไปตามวัดตามวาตามผ้าตามเนรตามวันตามปนตามปีตามเดือนเลยจะไปจับวัดเห็นเห็นแก่งอยู่ในสัวเมื่อผู้ใดเห็นผู้ใดเข้าใจ ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเห็นเป็ขึ้นในใจแล้วถึงพระพุทธเจ้าจะไปเนรพลานไปในรูปร่างกายของพระองค์ทา่านแต่ธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านละท่านวางได้อย่างไรจิตใจของเราได้เห็นได้เห็นอย่างนั้นก็ไม่มีการองใส่ว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าพุทธ ที่เกิดขึ้นภายในใจคือผู้รู้ผู้ตื่นจากที่เหลุดตันแผมีความเบิกบานอยู่ทุกการทุกเวลานี้ป็นพุธเทธีาา่แม่ฟาดพุธอทธี่แม่วาดมีอยู่แบบผู้หญิงแบบผู้ชายัา่วไปส่วนพุธพระพุธเธอของพระพุทธเจ้าานั้นเป็นทั้งขั้นตันแผลการเห็นหรู้เม่เห็นพระพุทธจเจ้าไม่เียนตันแผลแต่ เห็นพุโทโธภายในใจคือการสิ่งบางอยู่ภายในใจทั้งส่วนแตจากทัพเทียนแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่มีการบั่นบั่นบุคคลผู้นั้นจะไม่มีใครอันตรา ย, ายอยู่ได้เรื่องอย่างสุขสบายใจตายไปอย่างยิ่ง